ปัญหาที่สี่ถามเรื่องปรินิพานข้าแต่พระหน้าเกษณผู้ใดจะไม่เกิดอีกผู้นั้นยังได้เสวยทุกขเวทนายังได้อย่างหนึ่งหรือไม่ขอถวายพระพรได้เสวยก็มีไม่ได้เสวยก็มีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่ว่าได้เสวยก็มีไม่ได้เสวยก็มีนั้น คือเสวยอะไรไม่ได้เสวยอะไรขอถวายพระพรได้เสวยเวทนาทางกายไม่ได้เสวยเวทนาทางใจข้าแต่พระนาคกษนข้อที่ว่าได้เสวยเวทนาทางกายแต่ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจนั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรคือเหตุปัจจัยอันใดที่จะให้เกิดทุกขเวทนา ทางกายยังมีอยู่ผู้นั้นก็ยังได้เสวยทุกขเวทนาทางกายอยู่เหตุปัจจัยอันใดที่จะให้เกิดทุกขเวทนาทางใจดับไปแล้วผู้นั้นก็ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาทางใจข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระจอมไตรตรัดไว้ว่าผู้นั้นได้เสวยเวทนาทางกายอย่างเดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจข้าแต่พระนาคเษนผู้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาแล้วนั้นเหตุใรจึงยังไม่ปรินิพานขอถวายพระพรความยินดีหรือยินร้ายไม่มีแก่พระอรหันต์เลยพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่ทําสิ่งที่ยังไม่แก่ไม่สุขให้ตกไปไมีแต่รอการแก่การสุข อยู่เท่านั้นข้อนี้สมกับพระสารีบุตรเทระผู้เป็นเสนาบดีในทางธรรมได้กล่าวไว้ว่าเราไม่ยินดีต่อมรณะเราไม่ยินดีต่อชีวิตเรารอแต่เวลาอยู่เหมือนกับลูกจ้างรอเวลารับค่าจ้างเท่านั้นเราไม่ยินดีต่อมรณะไม่ยินดีต่อชีวิตเรา ผู้มีสติสัมปชัญญะรอแต่เวลาอยู่เท่านั้นข้าแต่พระนาคเษนพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วสรุปความข้อนี้มีความหมายว่าพระอรหันยังต้องมีความทุกข์ทางกายเช่นหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะการป่วยไข้ ไม่สบายความแก่และความตายเป็นต้นแต่จิตใจของท่านไม่กระวนกระวายไม่เป็นทุกข์ไปด้วยยอมรับนับถือกฎของธรรมดาพระนาคเสนจึงตอบว่าพูดให้ไม่เกิดอีกจึงได้เสวยเวทนาแต่ทางกายไม่ได้เสวยเวทนาทางใจดังนี้